บทที่23ปูหอยเรื่องสอบเป็นยังไงบ้างล่ะไอ้หนูพอจะผ่านกับเขาหรือเปล่ายายถามเมื่อล้านชายกลับถึงบ้าน มือชั้นนี้แล้วถ้าไม่ผ่านก็ไม่รู้จะว่ายังไงหนุ่มน้อยทำโอจะว่ายังไงนอกจากว่างโง่เพราะถ้าฉลาดก็ต้องสอบผ่านไม่จริงเสมอไปหรอกยายคนง่อสอบได้และคนฉลาดที่สอบตกก็มีอย่างผมเนี่ยสอบตกก็จัดอยู่ในประเภทหลังจะหลังหรือหน้าก็ขอให้สอบผ่านเธอ ถ้าตกซ้ำชั้นอีกยายคงอายเขาแย่อายทำไมเลยยายผมยังไม่อายเลยดีเสี่เอกเรียนซ้ำชั้นนะ่ะความรู้จะได้แน่นคนพูดมองโลกในแงด่ดีแน่นเกินไปก็ไม่ดีน่นหลานเพราะเวลาจะออกมาใช้แค่ไม่ออกเสียแล้วยายว่าเอาแต่พอดีพอดีดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เดินสายกลาง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 ทำปิพาดเวลาเขามีงานแล้วก็รับจ้างเลี้ยงเป็ดพรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายเสร็จก็ไม่ต้องไปโรงเรียนอีกถ้าสอบผ่านก็แปลว่าผมออกจากโรงเรียนนี้แต่ถึงไม่ผ่านเองก็ต้องออกอยู่ดีครูใหญ่เขาบอกยายว่าให้เองเรียนได้ปีเดียวเท่านั้นจำไม่ได้แล้วหรือยายพูดขัดขึ้นทำไมจะจาไม่ได้ละ่ะ ก็ยายพูดย้ำอยู่บ่อยๆไอ้หนูที่จังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนมัธยมอยู่แปดแห่งเองก็เรียนมาหมดทุกโรงเรียนแล้วถ้าสอบตกคราวนี้เขาไม่ให้เองวนอีกรอบหรอกนะเขาเรียนเสียงพูดของยายคนอายุเจ็ดรอบค้อนให้หนึ่งวงแล้วก็ว่าก็หรือไม่จริงล่ะ เองหาว่ายายพูดปลดงั้นหรือจริงนะมันจริงหรอกยายแต่ไอการที่พูดย้ำแล้วย้ำอีกนะมันแสลงใจผมความจริงบางอย่างผมก็ไม่ชอบฟังสักเท่าไหร่เพราะมันทำให้ใจเศร้าหมองเอาละงั้นยายก็จะเลิกพูดเป็นอันว่าเองสอบผ่านหรือไม่ผ่านเองก็ต้องไปเรียนต่อที่บางกอกอยู่ดีแต่ว่าเองอยากเรียนอะไรละ่ะ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 ผมอยากไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์หนุ่มเจริญบอกกล่าวถึงสิ่งที่ใฝ่ฝันจะไหวหรือยายหมายถึงว่าจะสู้ค่าเรียนไหวหรือเปล่าเงินทองเรามีจำกัดเขาว่าที่บางกอกอะไรๆก็แพงเกิดเงินหมดจะว่ายังไง ไม่หมดระครับยายเงินของเรามีเยอะแยะที่ฝังดินไว้ก็ต้องสองหายประโยคหลังเขาพูดไม่เต็มเสียงนักด้วยรู้แก่ใจว่าบัตรนี้มันได้อันตรธานไปแล้วแต่ถ้าไม่จำเป็นยายก็จะไม่เอาออกมาใช้จะเก็บไว้เป็นสมบัติของลูกหลานเองจำไว้นะไอ้หนูถ้าไม่อดตายจริงๆก็อย่าขายสมบัติปู่ย่าตาทวด เขาไม่นิยมเอาไปขายกินใครขายสมบัติกล่าวกินเขาว่าจะอับจนทํามาหากินไม่ขึ้นถ้าจะให้ทํามาค้าขึ้นต้องหามาเพิ่มแต่ถ้าขาโมยมันมาลักเอาไปละยายเราลองไปดูกันไหมว่ามันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเขาออกอุบายรู้สึกรำคาญที่ยายพูดวกวนตามปราษาคนแก่ ดูทำไมก็มียายกับเองเพียงสองคนทีร่รู้คนอื่นจะมารู้ได้ยังไงหรือว่าเองปากสว่างไปเที่ยวบอกใครต่อใครยายผมไม่โง่ขนาดนั้นหรอกอย่าดูถูกหลานตัวเองไปหน่อยเลยนมเจริญเริ่มจะไม่พอใจเอาละเอาละอย่ามัวมาพูดให้มากเรื่องไปทำหน้าที่ได้แล้วทำให้เสร็จเร็วๆละ่ะ จะได้อ่านหนังสือพรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายไม่ใช่หรือครับว่าแต่ว่ายายไม่ลงไปดูนะครับผมว่าจะไปดูสักหน่อยว่ามันยังอยู่หรือว่าหายไปแล้วช่างมันเถิดหลานถ้ามันจะหายไปอย่างที่เอ็งวิตกก็แปลว่าสมบัติเหล่านั้นมันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเรามันก็ต้องอยู่คิดอย่างนี้จะได้สบายใจเมื่อคนเป็นยายพูดมาอย่างนี้ คนเป็นหลานจึงจำต้องนิ่งเอาละไปเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนแสงเตรียมทำหน้าที่ได้แล้วหลานชายจึงลุกออกไปอย่างว่าง่ายแม้ยังค้างใจเรื่องหยสมบัติสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ หนุ่มเจริญไม่ยอมไปร่วมฉลองความสาเร็จตามคำาชักชวนเพื่อนๆว่าที่จริงแล้วพวกที่เรียนอยู่ด้วยกันนี้หาใช่เพื่อนไม่ทว่าเป็นรุ่นน้องเพราะเขาสอบตกซ้ำชั้นแล้วก็โยกย้ายโรงเรียนบ่อยจึงไม่ได้พานพบเพื่อนรุ่นเดียวกันด้วยว่าคนพวกนั้นต่างก็เรียนจบไปหมดหรือไม่ก็ออกตั้งแต่ป .4 คงมีหนุ่มกันเชียงกับหนุ่มจำรัดเท่านั้นที่จับพลัดจับปลุกมาอยู่โรงเรียนเดียวกันอีกแถมตกซ้ำชันเหมือนกันเสียด้วยเลยได้เป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอกันต่อไปมิตรภาพของคนทั้งสามจังแน่นแฟน้นยั่งยืนและอาจจะยาวนานไปจนถึงชาติหน้าก็ได้ใครจะรู้เกิดสอบผ่านเองจะได้เรียนต่อที่ไหนอีกหนุ่มกันเชียง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 พ่อว่ามีญาติห่างๆบวชอยู่วัดสเกตแล้วจะจุกละมันจะเรียนต่อหรือเปล่าเขาหมายถึงน่มจำรัดคงไม่แล้วมั้งเห็นว่าจะรีบทำงานหาเงินไว้แต่งนางมะลิเป็นลูกเขยใครไม่เป็นมาเป็นลูกเขยเยียมเมาส์ข้าไม่เอาด้วยหรอกขีดครัน้นทะเลาะกับแม่ยายแล้วเองละ่ะถ้าไปเรียนบางกอก ไม่ห่วงนางมุวยหรือไงเขาคงไม่ชอบข้าหรอกได้ยินว่าเตียจะให้แต่งงานกับคนจีนด้วยกันแกว่าคนจีนขยันขันแข็งคนไทยขี้เกียจหลังยาวข้าคอยไปหาเอาดาบหน้าสาวบางกอกมีเป็นกระชุกกระชุกว่าแต่เองเธอรักใครชอบใครบ้างหรือ ย, ยังไม่เห็นสนใจใครสักคน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 ข้าเกลียดพระพูดเสียงหนักแน่นข้าขี้เกียจจะเดาแล้เองจะเลยมาดีกว่าว่าทำไมถึงจะไม่แต่งงานข้าสงสารผู้หญิงไม่อยากทําให้เขาลําบากตั้งแต่ข้าทําคลอดให้พี่สาวคราวนั้นข้าก็ได้เห็นความทุกข์แสนสาหัส ข, ของผู้หญิงตอนคลอดลูกก็เลยไม่อยากแต่งไม่อยากทําให้ผู้หญิงคนไหนต้องมาทุกข์เพราะข้า หนุ่มน้อยชี้แจงถแถลงไขเองนี่คิดอะไรพี่ลึกพี่ลึกก็เองจะไม่แต่งงานก็ใช่ว่าผู้หญิงเ้าจะเลิกออกลูกนี่นาอย่าไปคิดมากเลยว่าเรื่องของธรรมชาติก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเถอะหนุ่มกันเชียงว่าสองหนุ่มน้อยเดินมาถึงทางแยกหนุ่มจเจริญพูดขึ้นว่าแล้วพบกันนะเพื่อน เองไม่กลับบ้านหรือฝ่ายนั้นถามด้วยว่าบ้านของคนทั้งสองไปทางเดียวกันข้าจะไปตลาดหาซื้อขนมไปเยี่ยมแม่หน่อยตั้งแต่ทาหน้าที่หมอตแยาจำเป็นคราวนั้นแล้วข้ารักแม่ขึ้นอีกโคสงสารที่แกต้องผ่านทุก์แสนสาหัสมาตั้งสิบครั้งสิบหนงั้นก็ไปเถอะนมกันเชียงว่าครั้นแยกกันแล้ว เขาจึงแอบค้อนในใจเจ้าหมอนี่ท่าทางจะบ้าคิดอะไรไม่เหมือนมนุษย์มานาเขาแม่จวนดีใจทุกครั้งที่เห็นลูกชายคนเล็กมาเยี่ยมตั้งแต่งานเทพมหาชาติที่บ้านยายคราวนั้นลูกชายก็ไปมาหาสู่บ่อยขึ้นด้วยเข้าอกเข้าใจกันดีแล้ววันนี้เขาซื้อขนมกระทงทอง ที่แม่จวนชอบนักชอบหนามาฝากคราวหน้าคขาหลังไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากแม่หรอกแค่เองมาแม่ก็ดีใจแล้วแม่จวนพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรหรอกแม่นานๆผมจะได้ตอบแทนบุญคุณสักครั้งหนึ่งพ่อไปไหนละครับเขาถามถึงบิดาไปบ้านครูสมใจเนะ่จะไปติดต่อวงดนตรีมาเล่นงานแต่งนางจำเรียง พี่จำเรียงจะแต่งงานกับใครครับชื่อพ่อพุธลูกผู้ใหญ่ทรงเอ็งมาก็ดีแล้วจะได้บอกยายมางานด้วยเมื่อไรครับขึ้นสิบสองค่ำเดือนสี่แม่ว่าจะไปบอกยายเอ็งอยู่เชียวตอนนี้ยายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะแม่คงเดินมาไม่ไหวแม่ให้ใครเอากเกวียนไปรับมานะครับ งั้นก็จะให้ทิดสอนไปรับแม่จวนหมายถึงลูกเขยคนโต แ, แม่ครับยายจะส่งผมไปเรียนหนังสือที่บางกอกหนุ่มน้อยบอกมารดาดีลูกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนจะไปเมื่อไหร่ล่ะคงอีกสามเดือนเป็นอย่างช้าต้องรอฟังผลที่โรงเรียนนี้ก่อนเขาไม่ได้บอกมารดาว่าถึงสอบตก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 ใครจะไปอยู่เป็นเพื่อนยายครับหนุ่มน้อยห่วงคนเป็นยายคงจะให้หนังจำแรงไปช่วยดูแลเองไม่ต้องห่วงหรอกยายเขาเป็นแม่ของแม่ยังไงยังไงแม่ก็ไม่ทิ้งให้เขาต้องลาบากลำบนหรอกหนาและแม่ต้องหมันไปเยี่ยมยายนะครับแม่จะไปทุกวันโกนวันพระเลยเองไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้ ตั้งหน้าตั้งตาเรียนให้จบเร็วๆก็แล้วกันแม่จวนปลอบใจลูกคุยกับมารดาจนได้เวลาอันสมควรแล้วหนุ่มน้อยจึงลากลับวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเริ่มทำงานหาเงินใช้ส่วนตัวแม่ครับ ผมเห็นจะต้องกลับเพราะจะรีไปทำงานผมไปรับจ้างเขาเลี้ยงเป็ดครับหนุ่มจเจริญบอกมารดารับจ้างใครละ่ะตะแปะซงที่อยู่ท้ายตลาดครับแกให้ผมไปงมหอยพวกหอยโคงหอยขมเอามาทุบให้เป็ดกินแกว่าถ้าจะให้มันกินแต่พวกกรัมและข้าเปลือกไข่มันไม่แดงแต่ถ้าให้กินหอยไข่มันจะแดงขายได้ราคา แกก็เลยลงทุนจ้างผมให้หาหอยไปให้ให้มันกินค่าจ้างวันละตั้งหสิบสตางค์แนครับแต่มันบาปนะลูกเองต้องฆ่าชีวิตเขาวันละเป็นร้อยเป็นพันเพื่อแลกกับเงินแม่ว่าหางานอื่นที่มันไม่ต้องทําบาปไม่ได้หรือครับผมก็คิดอย่างนั้นเขาพูดเอาใจมารดาหากแต่ใจนั้นคิดว่ามันจะบงจะบาปอะไรครับแม่ ไกลๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นมัวแต่กลัวบาปก็ไม่ต้องทำมาหากินกันพอดีแล้วนี่ยายเองรู้หรือเปล่ารู้ครับผมบอกว่าจะไปรับจ้างเลี้ยงเป็ดแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปทุบหอยให้มันกินคืนบอกยายก็ไม่ยอมให้ทำแน่เพราะยายเข้มงวดเรื่องนี้มากแม่อย่าบอกยายนะครับเขาขอร้องตกลงแม่ไม่บอกก็ได้ถ้าเขาไม่ถาม แม่จวนรับคำหากแต่ไม่เงื่อนไขงั้นผมลาล่ะครับเขายกมือไหว้มาดาแล้วก็มุ่งหน้าไปยังท้ายตลาดไปถึงก็บอกตะแปะทรงว่าตะแปะอ่วจะมารับจ้างทำงานง้างหาเหวอะไรมาเย็งปังนี้ไม่รอให้มึกแล้วค่อยมาละ่ะตะแปะรงประชดก็อว้วเพิ่งสอบเสร็จ แล้วก็รีบมานด้และเอาเถอะอัวจะทำเดี๋ยวนี้เอากระแตงมาสินงอยู่ข้างองค์น้ำนงหรือต้องเก็บมาให้เต็มกระแตงนะไม่งั้งอัวหับค่าจ้างเออนะแหมลือนี่เค็มจริงๆน่าตะแปปะน่าจะขายเกลือจะเหมาะกว่าเขาต่อว่าอย่าพูกมากปลาเหลียวอัวไม่จ้างนะ คงอึ่งมีทงเทปไปไม่พูดก็ได้ว่าไปละนุ่มน้อยคว้ากระแตงเหล็กใบเคืองแล้วก็เดินไปที่หนองน้ำถอดเสื้อนักเรียนออกเอามาโภกศรีรษะแทนเขาคงมีโชคในเรื่องปานาติบาตเพราะชั่วครู่เดียวก็ถือกระแตงกลับมามีหอยโขงหอยขมเต็มภาชนะใบนั้น อ้าวตะแปะ๊ะดูสินี่เต็มกระแตงเลยจะให้ไปทุบตรงไหนละ่ะนงหน้าเล้าเป็กนงเอาหิงทุบให้แตกและโยงแหมเปกกิงเขาหิ้วภาชนะบรรจุหอยเต็มไปที่เล้าเป็กจัดการตามที่ตะแปะสั่งและสมองอันเฉียบไวก็มองเห็นทางโกงตะแปะนั่นก็คือพรุ่งนี้ เขาจะเอาดินและโครนใส่ลงไปที่ก้นกระแตงแล้วค่อยเก็บหอยใส่จะได้เต็มเร็วๆเขาก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นที่ดีกว่านั้นคือจะได้บาปน้อยลงเพราะแทนที่จะฆ่าหอยหนึ่งกระแตงเต็มๆก็จะฆ่าแค่ครึ่งกระแตงเมื่อเทหอยออกเขาเห็นหอยโข่งตัวหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าเพื่อนจึงหยิบมาดูอย่างพินิษพิเคราะห์ ทำไมเจ้าตัวนี้ถึงได้ใหญ่กว่าเพื่อนนะสงสัยคงจะเป็นปูหอยหรือทวดหอยถ้าเราทุบมันมันก็จะไม่ได้เป็นปูเป็นทวดอีกต่อไปเอาละเราจะไว้ชีวิตสักตัวหนึ่งดูซิว่ามันจะอยู่ไปได้อีกนานเท่าไหร่คิดได้ดังนี้จึงแยกหอยตัวนั้นไว้ต่างหากจัดการทุบตัวอื่นๆให้เป็ดกินครบทุกตัว จากนั้นจึงจับเจ้าตัวใหญ่กว่าเพื่อนมาใช้ตะปูเขียนที่เปลือกของมันว่าเจริญเจริญรัดวงเล็บนายแกละแล้วเดินไปรับค่าจ้างจากตาแปะนั่งอะไรในมือหรือนั่งหนะตะแปะทักเมื่อเห็นเขาถือหอยอยู่ในมือปูหอยว่าจะเอามันไปปล่อยปล่อยทำอะไร วัวไม่ไหลจ้างหรือเก็บหอยไปปล่อยแต่ให้เก็บมาให้เป็ดกวัวกินเอาไปทุบเหลี่นี้แม่งั้นวัวหักค่าจ้างหนุ่มน้อยรู้สึกโกรธจรึงว่าอัวไม่ทุบแล้วอัวก็จะเอาค่าจ้างจากลื้อด้วยเห็นว่าเด็กกว่าจะโกงกันหรือไงผูกลีลีนะอัวไม่ไห่โกงแต่ลื้อสิผิดสัญญาเอง แต่อ่วทุบไม่ได้เพราะเขียนชื่อลงไปแล้วนี่ไงเขาชี้ให้ดูชื่อที่เปลือกหอยถ้าอย่างนี้ลื้อก็ไปหาตัวอื่นมาอีกยี่สิบตัวเพราะตัวนี้มังใหญ่กว่าตัวอื่นอีกยี่สิบเท่าสิบเท่าต่างหากหรือนี่เค็มยิ่งกว่าเกลือแกงอีกนะอย่าพูกมากไปงมมาอีกยี่สิบตัวแล้วอ้วจะจ่ายให้ลื้อห้าสิบสตางค์ นมน้อยจึงต้องทำตามที่นายจ้างสัง่งเขานำปูหอยไปปล่อยที่หนองน้ำแล้วงมตัวอื่นๆมาอีกยี่สิบตัวปลอบใจตัวเองว่าไอ้แป๊ขี้งกพรุ่งนี้เถอะข้าจะแก้แค้นเองพรุ่งนี้ข้าจะใส่ดินลงไปครึ่งกระแตงแล้วก็จะได้เงินห้าสิบสตางยังไงยังไงเองก็โง่กว่าข้าแล้วว่า